สัมมาสังโปหรือสัมมาสัง ก, ป, งกปะแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรความหมายของสัมมาสังกปก็คือความคิดที่ถูกต้องสังกปแปลว่าความคิดสัมมาแปลว่าความถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้องทาไมถึงต้องมีความคิดที่ถูกต้องและความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามิจฉาสังกัปโปมิจฉาก็คือไม่ถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องความคิดของเรา ที่เราคิดกันอยู่ทุกวันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้แต่พวกเรามักจะไม่ค่อยรู้กันเพราะเรามองแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากความคิดเราประโยชน์อันใกล้เราไม่ได้มองถึงประโยชน์ อันไกลอความคิดของเรานี่สามารถทําให้เกิดประโยชน์ทางใกล้และไกลได้อส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นประโยชน์ที่ไกลอืหรือไม่เห็นโทษที่ไกลเห็นประโยชน์เห็นแต่โทษที่อยู่ใกล้เช่นเราอยากอ ได้อะไรพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็ได้รับความสุขดีใจกับการที่ได้สิ่งที่เราอยากได้ดีใจกับสิ่งที่เราอยากทำความคิดของเราเป็นผู้ที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้ ทั้งสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษเกิดจากความคิดของเราก่อนเราต้องคิดก่อนแล้วเราจึงค่อยไปพูดแล้วจึงค่อยไปทํากันนี่คือความคิดที่เรียกว่าสังกัปโปหรือสังกัปปะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ฉลาด เป็นผู้ที่สามารถมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดจากความคิดของเราในระยะยาวได้พวกเรานี่เห็นแต่ประโยชน์หรือผลที่จะเกิดในระยะใกล้แต่จะไม่เห็นถึงโทษเมื่อเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดมา ในระยะยาวระยะใกล้ก็คือปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่นี่ส่วนระยะยาวหรือระยะไกลก็คือหลังจากที่เราตายไปแล้วพวกเราไม่รู้ว่าความคิดของเราที่เราคิดกันอยู่ทุกวันนี้มีผลต่อเราหลังจากที่เราตายไปแล้วด้วย ไม่ใช่เฉพาะแต่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ น, ะนี่นี่คือความฉลาดที่เราเรียกว่าตัดสรุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าความคิดของเรานี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เราไปก่อภพก่อชาติ ไปเวียนว่ายตายเกิดหรือจะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ความคิดของเรานี่เองถ้าเราคิดไปในทางที่จะก่อภพบก่อชาติเราก็เรียกว่าปั่นความคิดที่ไม่ถูกต้องถ้าเราคิดไปในทางที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะคิดที่ถูกต้องเราก็จะมีสัมมาสัมมาสังกับโปนี่คือความรู้ที่พวกเราจะไม่มีวันรู้กันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ตัดสร้นความจริงอันนี้ที่มารู้ว่าความคิดของเรานี่แหละ ที่เป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆหรือจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเรานพวกเราจะไม่รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวเราก็จะดูแต่ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้น แต่เราไม่รู้ว่าผลที่เราอยากได้ในระยะสั้นนี้จะทำให้เกิดผลในระยะยาวที่เราไม่ปรารถนากันคือเราอยากจะได้ความสุขในปัจจุบันแต่เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราอยากได้ในปัจจุบันนี้จะเป็นเหตุที่จะทาให้เราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่รด้วย อันนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่ทรงรู้เรื่องของความคิดของพวกเราจึงกลับมาสั่งสอนพวกเราให้เรามาคิดในทางที่ถูกต้องกันอย่าคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องทางที่จะสร้างโทษสร้างความเสียหาย ก็คือสร้างการเกิดแก่เจ็บตายสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้กับพวกเราไปเรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดให้เรามาคิดในทางที่จะทำให้เราได้ตัดพบตัดชาติตัดการเกิดแก่เจ็บตายตัดการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน สัมมาสังกัปโปะความคิดที่ถูกต้องที่พวกเราควรจะคิดกันเพราะความคิดที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคิดจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ไม่ต้องมาใช้เวรใช้กรรม อยู่อย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้และจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเพราะพวกเรามันเป็นพวกสายตาสั้นมองเห็นแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะสั้นเท่านั้นไม่สามารถมองในระยะไกลได้ เราจรึงมากสร้างประโยชน์ในระยะสั้นแล้วก็สร้างโทษในระยะยาวประโยชน์ที่เราได้รับในระยะสั้นนี้จะกลายเป็นเหตุที่จะทําทให้เกิดโทษในระยะยาวตามมาเราจรึงต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงมองเห็น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราในระยะยาวนะส่งรู้ว่าการกระทําอย่างไรจึงจะส่งผลกระทบที่ดีต่อจิตใจของพวกเราในระยะยาวก็คือการยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติการเกิดแก่เจ็บ ต, ตาย พระองค์จึงทรงสอนให้พวกเรามีสัมมาสังกัปปะมีความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคิดกันมีอะไรบ้างก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งให้คิดละการกระทำบาปทั้งปวงสอง ให้คิดทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้คิดชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือความคิดที่เป็นสัมมาสังกัปบปบเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดแบบนี้จะนำมาสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตาย ของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงถ้าไม่มีการเกิดแล้วทุกย่อมไม่มีอย่างแน่นอนทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์อยู่เพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บ จะต้องตายจะต้องพัดพลาดจากกันพัดพลากจากบุคคลที่เรารักพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการพัดพลาดจากกันนี่คือประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของพวกเราตอนนี้ไม่สะอาดมีสิ่งที่สกปรกคาเขาอยู่ สิ่งที่เป็นขยะหรือสิ่งที่เป็นสิ่งสกภกของใจก็คืออะไรก็คือตัณหาความอยากกิเลสตัณหากิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาก็คือความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็น เรียกว่าภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหานี่คือสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองสองกรปรกที่ทําให้จิตใจเราติดอยู่กองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมาชำระให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือสามมาสังกับโปความคิดที่ถูกต้องเราต่อ น, นี้ตั้งแต่นี้ไปเราควรจะตั้งสติดูที่ความคิดของเราดูว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ เรากำลังคิดไปในทางที่จะตัดพบตัดชาติหรือเรากำลังคิดไปในทางที่จะเกาอภพเก่อชาติถ้าเราคิดไปในทางเกาอภพเก่อชาติเราก็ควรจะหยุดมันถ้าเราไม่คิดไปในทางตัดภบตัดชาติเราก็ต้องสั่งให้มันคิดความคิด บางทีมันไม่คิดเองเราต้องสั่งมันมันถึงจะคิดนะความคิดบางอย่างเราไม่สั่งมันก็คิดเองเราก็ต้องหยุดมันถ้ามันเป็นโทษกับเราความคิดที่เราไม่ต้องสั่งนี่มันเป็นความคิดที่เป็นโทษกับเราส่วนความคิดที่เราต้องสั่งนี้มันเป็นความคิดที่มีคุณมีประโยชน์กับเรา นี่คืองานของเรางานของเราก็คือมาสั่งให้คิดไปในทางที่จะมีคุณมีประโยชน์กับเราแล้วก็มาหาข้ามความคิดที่จะคิดไปในทางที่จะทำให้เกิดโทษกับเราเราเคยคิดไปในทางที่เกิดโทษจนมันติดเป็นนิสัย คิดไปในทางความอยากสามประการนี้เองคิดไปในทางกามะตัณหาคิดไปในทางภาวะตัณหาคิดไปในทางวิภาวะตัณหาคิดไปในทางทำบาปเราต้องมาหยุดความคิดเหล่านี้แล้วก็ให้มันคิดไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้มันละ ใ ห, ให้มันหยุดคิดในการกระทาบาปทั้งปวงแล้วก็บังคับให้มันคิดในเรื่องของการทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็บังคับให้มันคิดถึงวิธีการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมา ควบคุมความคิดของเราเพราะความคิดของเราตอนนี้เหมือนรถยนต์เหมือนรถยนต์ที่ไม่มีคนขับรถยนต์ที่เหมือนรถยนต์สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาสามารถให้รถยนต์ขับไปไหนมาไหนได้เองโดยไม่ต้องมีคนขับแต่ รถยนต์ของเราคือใจของเราความคิดของเรานี่มันขับได้เองแต่มันขับาพาเราไปในการเวียนว่ายตายเกิดมันพาเราไปในทางตัณหาทั้งหลายไปในทางกา마ตัณหาไปในทางภวะตัณหาไปในทางวิภวะตัณหาเราต้องมาหยุดการขับรถโดยอัตโนมัติ เราต้องมาเป็นคนขับอย่าปล่อยให้ใจของเราขับไปเองอย่าปล่อยให้ใจของเราคิดไปเองเพราะถ้าเราปล่อยให้ใจของเราคิดไปเองมันจะก็คิดไปหากามะตันหาคิดไปหาภวะตันหาคิดไปหาวิภวะตันหามันจะคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปช้อปปิง้งไปดูไปฟังภาพยนตร์ละครมหรัรรพบันเทิงต่างๆอันนี้มันจะคิดโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสั่งมันแม้แต่เด็กทารกมันก็มีกามะตอนหา พอเกิดมามันก็ร้องหารูปเสียงกลิ่นลดปวดตาพ่อแม่ก็ต้องเอาของเล่นอะไรมาให้มันเล่นมีของอะไรให้มันดูนอนอยู่ในเตก็ยังมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ได้ยินมีเสียงกระดิ่งมีเสียงอะไรพอได้ยินได้ดูมันก็ไม่ร้องไห้เด็กก็ไม่ร้องไห้พอได้ มีความสุขจากการได้ดูได้ฟังนี่คือความคิดของพวกเรามันเป็นความคิดที่เป็นนิสัยสันดานมันจะคิดไปในทางของการเวียนว่ายตายเกิดคิดไปในทางตัณหาความอยากต่างๆคิดไปในทางกามตัณหา ความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคิดไปในทางภาวะตัณหาความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากล่ำอยากรวยก็คือความอยากในลาบอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็คือความอยากในยศ อยากมีหน้ามีตาก็คือความอยากในสรรเสริญอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนเขายกย่องสรรเสริญว่าเก่งว่าดีว่างามว่าฉลาดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความอยากเป็นความคิดที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะอะไร พราะความคิดแบบนี้มันจะไม่หมดมันคอยคิดอย่างนี้มันก็จะคิดอย่างนี้ไม่ว่าจะได้นาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงเกล็ดรถมามากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะไม่มีคําว่าอิ่มไม่มีคําว่าพอมันมีแต่จะอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอร่างกายตายไป ความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่นั่นเองและระหว่างที่รอการเกิดใหม่รอร่างกายอันใหม่ มันก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าผลบุญก็เป็นความสุขถ้าผลบาปก็จะเป็นความทุกข์ตอนที่เราไม่มีร่างกายตอนที่ร่างกายตายไปนี้ใจก็เป็นเหมือนตอนที่ร่างกายพักผ่อนหลับนอน เวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนใจก็จะเข้าสู่ความฝันเข้าสู่โลกของความฝันจะฝันดีจะฝันร้ายก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ได้ทาเอาไว้ฝันดีก็เพราะบุญเป็นผู้ผลิตความฝันนั้นขึ้นมาฝันร้ายก็เป็นบาปผู้ผลิตความฝันนั้นขึ้นมา พอเวลาที่เราตายไปร่างกายตายไปไม่มีร่างกายใจของเราก็จะเข้าสู่โลกของความฝันที่เราเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยโลกทิพย์ก็คือโลกของความฝันโลกที่ไม่มีร่างกายโลกที่มีแต่ความฝันมีแบ่งเป็นสองซีกด้วยกันโลกที่มีแต่ความฝันที่ดี กับโลกที่มีความฝันที่ไม่ดีฝันร้ายฝันดีโลกที่มีแต่ความฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆโลกที่มีความฝันร้ายก็เรียกว่าอบายเช่นโลกของเปรตโลกของอสุรกายโลกของนรกเป็นโลกที่มีแต่ เรื่องราววุ่นวายต่างๆเต็มไปด้วยความทุกข์ความความทรมานความยากลำบากความน่าหวาดกลัวต่างๆเป็นผลที่เกิดจากที่เราได้ทำบาปไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่เราแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหารูปเสียงกลิ่นรส บางทีเราก็ต้องไปทําบาปเราถึงจะได้สิ่งที่เราอยากได้บางทีเราก็ไม่ต้องทําบาปถ้าเราโชคดีสามารถหามาได้โดยไม่ต้องทําบาปเราก็ไม่ต้องไปทํ า, าบาปแล้วถ้าเราโชคดีมากกว่านั้นคือสามารถหาสิ่งที่เราอยากได้มามากกว่าที่เราต้องการ ใช้ได้เอเช่นหาเงินได้มากมายก่ายกองเอเราก็อาจจะเอาไปทําบุญเอเราก็จะได้มีบุญเป็นผู้ส่งให้เราไปฝันดีกันแต่ถ้าเราไม่โชคไม่ดีเกิดมาจะหาอะไรแต่ละครั้งจะได้อะไรมาแต่ละอย่างจะต้องทําบาปอยู่เรื่อย อันนี้เราก็จะสร้างฝันร้ายให้กับเราเวลาที่เราตายไปสร้างอบาย น, นี่คือทําไมนอกจากการที่เราต้องชําระความอยากแล้วเรายังต้องละการกระทําบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างบุญกสศลให้ถึงพร้อมก็เพราะว่าในช่วงที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ช่วงที่เราตายไปถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะได้ไม่ไปอยู่ในอบายเราจะอยู่ในสวรรค์เราจะฝันดีเราจะไม่ฝันร้ายกันจนกว่าเราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมา เวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาฝันดีฝันร้ายอีกต่อไปเราจะเป็นผู้เตือนตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเป็นผู้เตือนผู้เบิกบานเพราะท่านหยุดฝันหยุดทำบาปหยุดทำบุญหยุดทำตามความอยากทุกประการหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะไม่ต้องไป เวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปจะเตือนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ควบคุมความคิดได้นี้เป็นผู้เตือนผู้ที่ควบคุมความคิดไม่ได้นี้เป็นผู้หลับเพราะความคิดนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่ผลิตความฝันนั่นเองพอเราคิดนี้เราก็เข้าสู่ความฝันแนละถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดได้หยุดฝันได้ หยุดสร้างบุญหยุดสร้างบาปได้หยุดสร้างพบสร้างชาติได้เราต้องมาควบคุมความคิดของเราสิ่งที่เราจะใช้ควบคุมความคิดของเราก็คือสติเราจรึงต้องมาฝึกสติกันมาหยุดความคิดหรือมาควบคุมความคิดให้มันคิดไปในทางที่ถูกต้องเช่น ให้มันคิดไปในการละ บ, บาปให้มันคิดไปในการทําบุญเอ้มันคิดไปในทางชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้ามันไม่คิดก็ต้องบังคับให้มันคิดเช่นต่อไปนี้จะไม่กระทําบาปทั้งปวงและอบายามุกบาปและอบายามุกนี้เป็นของสนับสนุนกัน การจะทำบาปนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการไปเสพอบายามุกพอเสพอบายามุกแล้วก็จะนำไปสู่การทำบาปต่อไปดังนั้นการที่จะไม่ทำบาปได้ก็ต้องละเว้นการเสพอบายามุกก่อนอบายามุกนี้ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งคือการดื่มสุรายาเมา สองการเล่นการพนันสามการเที่ยวดูการลเล่นมหัรสบพบันเทิงต่างๆสี่การครบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรคบกับคนที่ชอบอบเสบอบายามุกชอบทำบาปเป็นมิตรนะห้าความเกียดคร้าน นี่เป็นเหตุที่จะทําให้เราไปทําบาปกันถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเราต้องหลีกเลี่ยงอบายามุกเหล่านี้ให้ได้ถ้าไม่มีอบายามุกแล้วการจะทําบาปนี่ยากแต่ก็ยังไม่ยังไม่หมดยังมีโอกาสทําได้ในเวลาที่เกิดการ เ, าเหตุการณ์ที่บีบบังคับเช่นความโกรธแค้นขึ้นมาอย่างนี้ S <S <an> ก็ยังสามารถไปทําบาปได้แต่มันน้อยโอกาสที่จะให้เราไปทําบาปแต่ถ้าเราเสพอบายามุกนี่มันจะมีโอกาสให้เราทําบาปได้มากเช่นเวลาดื่มโซรายาเมาเด่มแล้วก็จะขาดสติไม่สามารถควบคุมสติได้พอใจเราคิดจะพูดอะไรไม่ดีก็จะยับยั้งมันไม่ได้ จะทำอะไรไม่ดีก็ยับยั้งมันไม่ได้คนดื่มสุรายาเมาจึงพูดไม่ดีจึงทำอะไรไม่ดีทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นคนเวลาไม่ดื่มสุลานี้ดูเรียบร้อยน่ารักแต่พอดื่มสุราแล้วกลายเป็นลิงไปกลายเป็นลิงกลายเป็นสุนัขไป ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะอะไรเพราะสุรานี้ทําให้ขาดสติสติที่จะมาคอยคบคุมความคิดที่ไม่ดีไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาพอดื่มสุราแล้วมันไม่มีสติละพอมันอยากจะด่าใครมันก็ปล่อยให้ด่าออกมาพูดจาหยาบคายพออยากจะ ทำล้ายอะไรทำลายอะไรก็ปล่อยให้มันออกม า, ท ำ, าทำร้ายทําลายทันทีคนเดื่มสุราจึงเป็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวคนเดือมสุรานี่แหละที่จะเป็นคนไปทําบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ไดเดื่มสุราจะฆ่าสัตว์ได้ง่ายจะลักทรัพย์ได้ง่ายจะประพฤติผิดประเวณีได้ง่ายจะพูดจาหยาบคายพูดคําปดได้ง่าย แต่ท่านไม่เดิมเวลาก็จะพูดยากจะทำบาปยากกว่าอันนี้ทำไมเราจึงต้องละเว้นอบายามุกเพราะอบายามุกนี่จะเป็นเหมือนกับผู้เปิดประตูให้เราไปทำบาปนั่นเองถ้าเราปิดประตูโอกาสจะไปทำบาปนี้ก็ยากเราต้องพังประตูเช่นเวลาที่ใครมาทำให้เราโกรธจริงๆเสียใจจริงๆงนั้นนั้น ซึ่งนานๆอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อาจจะอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ดังนั้นขอให้เราเห็นภัยของอับของอ บ, บายยมุกก้อที่หนึ่งก็สุราก้อที่สองก็คือการเล่นการพนันการเล่นการพนันนี้มันจะทำให้เราสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปเพราะว่า เวลาเราเล่นถ้าเราได้เราก็อยากจะได้เราก็อยากจะได้อีกเราก็จะไม่เลิกเล่นพอเราไม่เลิกเล่นเราเล่นเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไม่มีใครเล่นแล้วจะได้ตลอดเวลาเล่นแล้วเดือนต่อไปก็ต้องเสียพอเสียแล้วทีนี้ก็อยากจะได้คืนก็ไม่เลิกเล่นอีกก็เล่นต่อไปก็อาจจะได้บ้างเสียบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเสียต่อไปมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องขายมาเล่นเวลาเล่นการพนันก็ไม่มีเวลาไปทามาหากินไม่มีไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายรายใช้ในที่สุดก็จะหมดเนื้อหมดตัวได้พอไม่มีเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือมาเล่นการพนันก็ จะต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินทองมาเล่นต่อคนที่เล่นการพนันมักจะต้องไปลักขโมยเวลาไปลักขโมยลักไม่ได้ก็อาจจะไปปล้นไปจี้พอปล้นจี้ก็อาจจะมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันอีกหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะไปโกหกหลอกลวงขอยืมเงินจากคนนั้นคนนี้มา ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ายืมมาก็ไม่มีวันที่จะคืนเขาได้อก็เรียกว่าเป็นการโกหกหลอกลวงนี่คือโทษของอบายมุขข้อที่สองคือการเล่นการพนันจะพาให้เราไปทําบาปต่อไปข้อที่สามก็คือการเที่ยวเตะดูมห์ลสบบันเทิงต่างๆไปที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปเที่ยวกลางคืนอ การกระทำนานี้มีแต่การสูญเสียเงินทองไม่เกิดรายได้ขึ้นมาถ้าเที่ยวติดเป็นนิสัยก็จะไม่เวลาไปทำมาหากินจะเที่ยวอย่างเดียวพอเงินทองหมดก็เหมือนกับคนที่เล่นอะัะเล่นการพนันนั่งเงินทองหมดก็ต้องไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินทองของคนอื่นมาพอยืมไม่ได้ต่อไปก็ต้องไปลักขโมย พอรักขโมยไม่ได้ก็ต้องไปป้นไปที่้ไปป้นตามร้านทองร้านเซเวพอไปป้นก็เดี๋ยวก็เจ้าของร้านเขาก็ต่อสู้เขาควักปืนออกมาเราก็ต้องฆ่าเขาเพราะไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเอีนี่ก็คือเรื่องโทษของการเที่ยวเตะการไม่ทำมาหากิน เอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มก็จะทําให้ต้องไปทําบาปต่อไปอับายามุขข้อที่สี่ก็คบกับคนที่ชอบเสพอาบายามุขชอบกับคนคบกับคนที่ชอบทําบาปนั้นไม่ดีเพราะอะไรเพราะเขาจะชวนเราไปเขาชอบเล่น การพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเที่ยวเราก็ต้องเขาก็ชวนเราไปเที่ยวเขาชอบคบคนชอบดื่มสุราชอบอบายามุขเขาก็จะชวนเราไปคบกับคนเหล่านี้มันก็จะทำให้เราต้องไปทำสิ่งเหล่านี้ยันด็กเลี้ยงอย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุขชอบทาบาป นะอบายมุข mm hmm. ข้อที่5ก็คือความเกียดคร้านความเกียดคร้านก็เป็นสิ่งที่ไม่ทําให้เกิดทรัพย์ขึ้นมาได้คนขี้เกียจนี้จะไม่สามารถไปทํางานทําการได้ไปหาเงินหาทองได้ชอบนั่งๆ่งนอนๆชอบเล่นชอบทําอะไรที่ไม่ได้มีไรายได้แล้วคนขี้เกียจคนเกียดคร้านถ้าเราครบกับคนเกียดคร้านเขาก็จะชวนเรา ถ้าเรามีความเกียดข้านเราก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเป็นเด็กก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ไม่อยากเรียนหนังสือขี้เกียจเรียนหนีเที่ยวกันก็จะไม่มีความรู้ไปทํามาหาเกินหาเงินหาไรายได้พอโ ต, โตขึ้นก็ยังขี้เกียจทํางานอีกเมื่อไม่มีไรายได้จากการทํางานก็ต้องไปทําบาปไปรักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวง หางหาทรัพย์โดยวิธีโกหก ห, กหลอกลวง น, นี่คือเรื่องของความคิดที่ไม่ดีที่เรียกว่าเป็นมิจฉาสังกับโปคือการคิดไปทำบาปการคิดไปเสพอบายมุกพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาละความคิดที่ไม่ดีนี้เสียแล้วก็ให้มาคิดในความคิดที่ดี ก็คือให้คิดทำบุญทำประโยชน์คำว่าบุญก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมให้กับตนเองทำประโยชน์ให้กับตนเองก็คือเลี้ยงดูตนเองให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ด้วยสัมมาอาชีพก็คือให้เราถ้าเป็นเด็กก็ให้ตั้งใจเรียนหนังสือหาความรู้ พอเรียนจบก็ให้หางานขยันทางานหารายได้จากเงินทองหาหารายได้จากงานที่เราทำเราก็จะได้มีเงินทองมาจุนเจือมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองไม่ต้องไปทำบาปอันนี้เรียกว่าสร้างบุญให้กับตนเองก่อนเราต้องทำบุญให้กับตัวเราก่อนด้วยการทำมาหากิน ด้วยอาชีพที่สุดจริญมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแล้วพอเรามีเงินทองเหลือจากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราที่เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาเงินทองส่วนที่เกินนี้มาทําบุญมาช่วยเหลือผู้อื่นมาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดที่ดี อย่าเอาเงินทองที่เหลือนี้ไปใช้กับของฟุ่มเฟือยอย่าเอาเงินทองไปใช้กับความอยากต่างๆเพราะมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราใช้เงินทองตามความอยากความอยากมันจะไม่หมดมันจะมีกลับมาเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นตัวที่จะดึงให้ใจของเราต้องกลับมาเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว ความอยากที่เร า, าสนับสนุนด้วยการใช้ใช้เงินตามความอยากนี้มันจะดึงให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่งิ่เวลาที่เราหาเงินได้มามากเกินความจำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายของเราเราอย่าเอาเงินนี้ไปใช้ตามความอยากต่างๆมันจะทำให้เราจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเราควรเอาเงินนี้ไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดืนอดน้อนช่วยเหลือกันละ ก, กันแล้วเราจะมีความสุขจากการที่เราใช้เงินแบบนี้แล้วเราจะฝันดีเวลาเรานอนหลับเราจะฝันดีเราจะมีมีคนรักเรา คนที่ทําคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้นี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเอเทวดาจะคุ้มครองรักษ า, เ, าเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเอเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายอาจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสเบิกบาน เ, าเวลานั่งสมาธิทําใจให้สงบ ใจก็จะสงบง่ายแล้วถ้าเวลาจะตายไปก็จะไปสู่สุขคติคือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือศัตรไ ม, ไม่ตายด้วยศัตรูวุธหรือยาพิษ เ, เพราะจะไม่มีใครเกลียดเราคนที่ทำบุญทำประโยชน์นี้จะไม่มีศัตรูจะมีแต่มิตร นี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำให้เราคิดทำบุญให้เราคิดละบาปเว่าการทำบุญนี้มีประโยชน์กับเรามันจะช่วยให้เราตัดภพตัดชาติได้เพราะว่าเวลาเราทำบุญแล้วใจเราจะสงบใจเราจะเย็นเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญ คนที่เอาเงินไปเที่ยวนี้นั่งสมาธิไม่ได้ใจมันจะคิดแต่ที่ท่องเที่ยวใจจะคิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่ช่ที่ชอบเสพที่อยากเสพเวลานั่งสมาธินี้จะรู้สึกอึดอัดนั่งไม่ได้แต่คนที่ทําบุญนี้จะไม่มีอาการเหล่านี้เวลานั่งสมาธิใจจะสงบได้ง่ายเพราะเวลาทําบุญนี้ก็ ทำให้ใจสงบไปในระดับหนึ่งลดการลดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆลงไปเพราะไม่เอาเงินไปใช้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองนะนี่คือความคิดที่เราจะต้องคิดต้องบังคับให้คิดกันอันแรกก็บังคับให้มันหยุดคิดไปในทางทำบาปหยุดคิดไปในการเสพอบายามุกต่างๆ แล้วก็มาบังคับให้มันคิดในการทำความดีไอ้มีความขยันหมั่นเพียรในการริ่มเรียนถ้ายังอยู่ในวัยศึกษาก็ให้ขยันลร่มเรียนหนังสือเพื่อให้ได้เรียนจบสูงๆได้คะแนนดีๆพอเวลาออกจากงานออกจากโรงเรียนก็จะได้หางานง่ายคนที่เรียนเก่งนี่เรียนสูงนี่จะมีบริษัทยินดีจ้างไป ไปทำงานทันทีรายได้ก็จะสูงรายได้ก็จะมากแล้วถ้ามีรายได้เกินกว่าที่จะต้องใช้ได้เก็บไว้แล้วก็ยังมีเหลืออีก<ม>ก็เอาเงินนี้ไปทำบุญดีกว่าอย่าเอาเงินนี้ไปใช้ตามความอยากอย่าไปซื้อของฟุ่งเฟยไปชอปปิง้งไปซื้อของฟุ่งเฟยซื้อของประดับซื้อของเ ส, สวยความงามต่างๆ ซื้อเสื้อผ้าอภรรท์ที่มีเหลือเฟืออยู่แล้วซื้อลองเท้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรต่างๆที่ไม่จําเป็น่าต้องซื้อมันเป็นการส่งเสริมความอยากทำตามความอยากแล้วมันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดแก่เจ็บตายที่จะไม่มีวันสิ้นสุดเราจึงต้องห้ามใจเราอย่าใช้เงินไปในทางที่ผิด ใช้เงินไปในทางที่ถูกคือเอาไปทำบุญทำบุญกับใครที่ไหนก็ได้ทำคนทาบุญกับคนใกล้ตัวเราที่สุดก่อนคือพ่อแม่ของเราดูแลพ่อแม่ของเราก่อนก็ให้พ่อแม่ของเราอยู่ดีกินดีก่อนถ้าพ่อแม่ยังทุกข์ยากลำบากเราต้องดูแลพ่อแม่ก่อนเมื่อพ่อแม่อยู่ดีกินดีสุขสบายแล้ว คนใกล้ตัวเราญาติพี่น้องสบายกันทุกคนแล้วก็ค่อยไปดูแลคนที่เราไม่รู้จักต่อไปจะดูแลคนที่โรงพยาบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เราเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปดูแลกันไปทำบุญกันอย่างประโยชน์ ยังบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพรเนี่ยเรียกว่าบุญกุศลก็คือการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจเราจะได้รับอริสง์หลายข้อด้วยกันอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาเขาก็จะอนุโมทนายินดีถ้าเขารู้ว่าเราทําความดี แล้วเทวดาก็จะมาคุ้มครองรักษาเราแล้วเราจะไม่มีใครมาคิดทำร้ายเราจะไม่ตายด้วยยาพิษไม่ตายด้วยอาวุธเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขนอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเวลานั่งสมาธิเจิตก็จะสงบง่าย เวลาตายไปถ้ายังไม่หลุดพ้นก็จะไปเกิดในสุคติก็คือจะนอนหลับฝันดีในเวลาที่ยังรอมาเกิดใหม่ก็จะไม่ไปฝันร้ายจะไม่ฝันในอบายต่างๆจะฝันในสวรรค์ต่างๆอยู่ในโลกของความฝันที่ดีที่มีแต่ความสุขนี่คือเรื่องของ ความคิดความคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องความคิดที่อย่านำมาซึ่งความสุขและความเจริญให้แก่จิตใจก็คือให้คิดสามประการตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดคิดทำบุญคิดละบาปคิดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราคิดแล้วมันก็จะมีการกระทาตามมา เพราะความคิดนี่แหละเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งการพอคิดให้ละบาปมันก็จะสั่งไปที่กายว่าจาว่าต่อไปนี้ต้องรักษาสี่ห้านะต้องละเว้นอบายามุกนะมันก็จะเวลาพูดก็จะไม่พูดอดนะเวลาทําก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเต ไม่คบคนที่ชอบอบายยมุกชอบทําบาปเป็นมิตรแล้วก็ไม่มีความเกียรติค้านกําจัดความเกียรติค้านด้วยความขยันหมั่นเพียรอันนี้ต้องเกิดที่ความคิดของเราถ้ามันไม่คิดเราต้องสั่งให้มันคิดนถ้าเราไม่เคยคิดจะรักษาศีลก็ต้องสั่งว่าต่อไปนี้ต้องรักษาศีลให้ได้ถ้ามันไม่เคยคิดจะละอบายยมุกก็ต้องสั่งมันว่า ต่อไนี้เราต้องละอบายามุกอบายามุกนี้มันไม่ดีมันเป็นโทษมันจะพาให้เราไปสู่การทำบาปแล้วมันจะพาให้เราไปรับผลบาปเวลาที่เราตายไปแล้วให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีการกระทำคือเราจะได้ละการกระทำบาปละอบายามุกได้แล้วก็สั่งให้มันทาความดีต่างๆ ทำบุญทำกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นเบื้องต้นก็ทำประโยชน์ของตนก่อนประโยชน์ก็คือทำหน้าทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายของเราให้ได้ก่อนเราต้องเป็นที่พึ่งของเราให้ได้ก่อนอัตตาหิอัตโนนาโถกก่อนต้องถ้ามีโอกาสได้ไปโรงเรียนเรียนหนังสือก็ไปเรียนหนังสือก่อนเพราะการเรียนหนังสือจะได้วิชาความรู้ได้ปริญญา แล้วจะเป็นกุญแจรหรือเป็นใบผ่านในการหางานที่ดีได้พอมีปริญญายิ่งสูงเท่าไหร่งานก็จะยิ่งดีขึ้นไปรายได้ก็จะยิ่งมากขึ้นไปแล้วพอเราได้งานดีเราก็จะได้รายได้มากก็จะทำให้เราสามารถพึ่งตนเองได้ดูแลตนเองได้อันนี้ก็เป็นบุญอันแรกคือบุญสำหรับตัวเราเองทำบุญให้กับตัวเราก่อน เมื่อเราทำบุญให้กับตัวเราแล้วขั้นที่สองก็ทำบุญให้กับคนอื่นใครทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปเอาคนที่ใกล้ตัวเราก่อนคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเขาต้องมีความสุขก็อย่างน้อยก็ต้องอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อยู่อย่างแน่นแค้นอดอยากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้มองว่าเป็นเหมือนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ให้คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเราก็อยากจะมีความสุขสบายอย่างไรเขาก็อยากจะมีความสุขสบายอย่างนั้นแต่เขาอาจจะขาดความสามารถที่จะหาความสุขความสบายได้ด้วยตนเองเราพอจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือไปแล้วพอเราได้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบายะ จะมีความสุขแล้วเราก็จะอยากที่จะมากาจัดตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราก็ต้องมาฝึกวิธีชำระความโลภความอยากด้วยการมาปฏิบัติธรรมต้องมาศึกษาจากพระสงค์องค์เจ้า ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ทำได้อย่างไรออก็จะได้ศึกษาเรื่องของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาศึกษาเรื่องศีลแปดเพราะผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมภาวนาได้จำเป็นจะต้องมีเวลา การจะมีเวลาก็ต้องกาจัดกิจกรรมที่จะเอาเวลาต่างๆไปกิจกรรมที่จะเอาเวลาไปก็คือกิจกรรมทางความการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองก็เลยต้องมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้จะกาจัดกิจกรรมเหล่านี้ได้ สินห้านี้ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่กำจัดสินห้าเพียงแต่กำจัดการกระทำบาปอต่สินแปดนี้นอกจากกำจัดการกระทำบาปแนละ้วยังมากำจัดกิจกรรมที่จะทําให้เราไม่มีเวลามาภาวนาไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมกันเช่นศีลข้อสามก็ต้องเปลี่ยนจากการเมสุมิจฉาจารามาเป็นอ布拉มจรลลิยา เวรมณีถ้าเป็นศีลห้าก็ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ถ้าถือศีลแปนี่ก็ต้องยุติการร่วมหลับนอนกับแฟนอย่าเอาเวลาไปหลับนอนกันเอาเวลามาฝึกสมาธิฝึกปัญญากันดีกว่าเพราะมีประโยชน์มากกว่าทําให้เราได้รับความสุขมากกว่ากันหลายเท่าด้วยกันเราต้องละเว้นการ ร่วมหลับนอนกันละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะไม่จําเป็นจะต้องรับประทานอาหารมากมายรับประทานมากกับเป็นโทษต่อการปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพราะจะทำให้ง่วงนอนจะทำให้เกียดค้านจะไม่อยากเดินจงกรมจะไม่อยากนั่งสมาธิอยากจะนอนเวลากินมากๆกินอิ่มแล้วก็อยากจะนอน นสมาธิก็สบงบแต่ถ้ากินน้อยๆกินพออยู่ได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่ต้องมากังวลเรื่องรับประทานอาหารแล้วก็จะมีเวลาสามารถปฏิบัติทาได้ั้งหลังตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปเลยถ้าจะรอกินอาหารเย็นก็จะไม่อยากจะภาวนาเพราะเดี๋ยวจะต้องกินอีกแล้วก็ก็จะ ไม่ภาวนามานั่งรอมานั่งคิดว่าเดี๋ยวจะกินอะไรดีเดี๋ยวจะไปหาอะไรมากินดีพอถือศินแปีลินข้อหได้ก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วใจก็จะได้ว่างจากเรื่องของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายข้อที่เจ็ดก็คือห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการดูมหารสลพหรือบันเทิงต่างๆหรือด้วยการเสริมสวยความงามของร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตรพิสดารแต่งหน้าทาปากทำผ้าทำผมทำเล็บทำฟันทำอะไรต่างๆเอาเวลาพวกนี้มาภาวนาดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่าได้ความสุขมากกว่าอ่านี่คือหน้าที่ของศีลแปด คือให้เราได้มีเวลามาภาวนามาปฏิบัติธรรมมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ศินข้อที่แปดก็คือให้เรานอนน้อยอ ย, อย่านอนมากเกินไปนอนให้นอนพอเพียงกับความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ถ้าได้นอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วแต่ที่เรานอนมากเพราะเรานอนบนฟูกหนาหนานอนบนเตียงใหญ่ๆ่มันสบาย พอตื่นขึ้นมาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาจะไม่อยากหลุกจะนอนต่ออีกสองสามสี่ชั่วโมงทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปเวลาที่เราจะเอามาใช้กับการภาวนานี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราอยากจะชำระใจของเราให้สะอาดเราต้องรู้ว่าเราต้องมีอะไรบ้างเครื่องมือในการชาระใจให้สะอาด เหมือนกับเครื่องมือที่เราใช้ในการซักเสื้อผ้าให้สะอาดสมัยก่อนเราก็ต้องมีภาชนะใส่เสื้อผ้าเช่นกาละมังต้องมีแฟบต้องมีน้ำต้องมีผงซักฟอกถึงจะสามารถซักเสื้อผ้าให้สะอาดได้ดังนั้การชำระใจของเราให้สะอาดก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติ ถึงจะสามารถซักฟอกใจของเราให้สะอาดได้เราก็ต้องมาหาฟาหาสิ่งเหล่านี้เบื้องต้นก็หาศีลก่อนรักษาศีลแปดก่อนรักษาศีลแปดให้ได้พอรักษาศีลแปดได้ขั้นที่สองก็มาฝึกสติมาเจริญสติมาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้พอจิตเข้าสู่สมาธิก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับแฟนความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารมื้อเย็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไป ดูมหัศลาศพบันเทิงต่างๆความสุขที่ดีกว่าจากการได้หลับนอนนานๆพอเราได้พบกับความสุขที่ดีกว่าเราก็จะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะหยุดหาความสุขทางารูปเสียงกลิน่นรสผลทพะได้พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมา เวลาออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากเราก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเราพระพุทธเจ้าบอกว่าการทําตามความอยากจะพาให้เราไปพบกับความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปมันเดี๋ยวมันก็ต้องจากไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลามันจากไปก็จะเสียใจหรือสิ่งที่เราอยากได้ ที่เราคิดว่าสวยน่าดูหน้าชมเราก็ต้องหัดมองในส่วนที่ไม่ดูน่าดูหน้าชมดูคนก็อย่าดูเฉพาะตอนที่เขามีชีวิตอยู่ดูตอนที่เขาตายบ้างอยากได้ก็มาเป็นแฟนเวลาเขาตายยังเก็บเขาไว้นอนกับเราหรือเปล่าโดยยกให้สับปเปลอไปต้องคิดถึงมุมกลับบ้างอย่ามองแต่มุมเดียวมองจามุมดีมุมสวย มองมุมที่ไม่ดีมองมุมที่ไม่สวยบ้างจะได้ตัดความอยากในตัวเขาได้ถ้าอยากอาหารก็ให้มองมุมไม่น่าดูของอาหารอยาไปดูแต่มุมอร่อยดูมุมที่ไม่อร่อยบ้างมุมไม่อร่อยไปดูที่ไหนก็ไปดูในห้องมซนะ่ห้องโซ่มนั้นแหละคือมุมไม่อร่อย อาหารทั้งปวงที่เรากินเข้าไปนะเดี๋ยวมันก็มาออกที่ห้องซ่วมนี่แหละมันจะไปไหนอ่าอันนี้คือปัญญาที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาใช้ในการกาจัดความอยากต่างๆความโลภต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าเรามีปัญญาและมีสมาธิที่จะหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะถูกกำจัดจนหมดสิ้นไปจากใจใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ ตายไปก็ไม่มีความอยากมาดึงให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจของเราก็หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นที่การมีสัมมาสัมกบโปนี่เองคือการมีความคิดที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราต้องมาศึกษาให้รู้ชัดว่าความคิดที่ถูกต้องนี้มีอะไรบ้างมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่สามข้อคือ คิดไม่ทำบาปคิดทำบุญคิดทำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วถ้าเราทำได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกขเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรม แล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยถาวาเรวะฮาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเฟตานังอุปกาปติอิท an ี่ต่างปฏทที um ่ตังตุมหังเขปเมวะสมิจโตสัพเเปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ อาลาโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวัมตารโยสุขีทีขายยโกภวะภิวทธนสีลิสะนิจังหุธาปจายโนยะตาโรธรรมาวัทานติ ว, าาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสามร้อยคนครับยูทูบเก้าสิบเก้าคนครับเรดิโอยี่สิบเอ็ดคนครับผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสามคนรวมทั้งหมดห้าร้ยยี่สิบสามคนครับอาจารย์าภาษาไทยต่อคำถามจากผู้ฟังธรรมบนเขาค่ะขออนุ ญ, ญาตเล่า อาการก่อนค่ะคืออาการจิตว่างหายไปความสุขหายไปเหมือนกับจิตมีอาการอาการเดียวนั่งสมาธิได้สักพักมีอาการพวังนิดเดียวบางทีก็ไม่มีอาการดูลมเหมือนลมจะโคจรทั่วภายในกายของเราสุดท้ายเหมือนจะจบที่ปลายมือปลายนิ้วมือเหมือนกับจะชาก็ไม่ใช่แล้วมือจะรู้สึกอุ่นๆสักพักเหงื่อออกแต่ไม่มากหลังจากนั้น จะเป็นลมก้อนใหญ่ถูกตีกลับออกทางปากออกจากสมาธิเสียงดังเหมือนระเบิดภายในกายของเราดูจิตจิตจะสว่างหลังจากออกจากสมาธิมีภาพให้ดูให้พิจารณาอสุภะเป็นจุดจุดของกายเราดูเหมือนจะมีจิตอีกจิตหนึ่งคอยสอนอีกจิตหนึ่งบางทีก็มีพระมาสอนคำถามคือข้อหนึ่งทำไมอาการจิตว่างหายไปคะ ก็ไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสติปล่อยให้ใจมันท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ของมันมันก็เลยไปเห็นนน่นเห็นนี่ซึ่งเห็นแบบจับใยเห็นแล้วไม่มีประโยชน์ในการกำจัดกิเลสตัณหาแต่อย่างใดนี่ไม่ใช่วิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องวิธีนั่งสมาธิต้องมีสติควบคุมใจให้เฝ้าอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปให้รู้แต่พุทโธอย่างเดียวไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่นมีเรื่องอื่นมาให้รู้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วทุกอย่างก็จะเนิ่งทุกอย่างก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสุขเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ผู้รู้อันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องทาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราว ขั้นตอนแรกนั่งทำสมาธิเพื่อให้ใจสงบให้ใจมีความสุขมีอุเบกขาพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิจึงจะควบคุมให้ใจไปพิจารณาทำชนิดต่างๆพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงพิจารณาว่าร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามพิจารณาร่างกายเป็นธาตุสีดินน้าลมไฟ เป็นอาการสามสิบสองไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในร่างกายอันนี้ต้องใช้การวิเคราะห์เหมือนกับการศึกษาของนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์เขาก็ต้องไปผ่าศพเพื่อจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นอะไรต่างๆผู้ที่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอะไรกันแน่ก็ต้องผ่าด้วยด้วยทางจิตใจ ให้นึกถึงภาพของอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายแล้วก็ค้นหาตัวตนว่ามีอยู่ในร่างกายตรงไหนหรือไม่ถ้าแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆล้วจะไม่พบว่าตัวมีตัวมีตนจะพบแต่อาการสาสิบสองก็จะสรบได้ว่าอ๋อในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายเป็นเพียงแต่ความคิดของเราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเอง นี่คือการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เป็นแบบจับชัยนั่งปุ๊บเห็นอะไรเป็นนู่นเห็นนมเห็นจิตเห็นอะไรไปหมดแล้วไม่ได้เรื่องทั้งอย่างทำอะไรไม่ได้กําจัดอวิชชาโมหะความหลงไม่ได้กําจัดตัณหาความอยากไม่ได้คำถามข้อสองค่ะทำไมจิตได้ดูได้พิจารณาเห็นอาการเลือดออก เห็นเนื้อออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วรู้สึกเสียวๆค่ะอา้าวก็เรื่องของเราเราเห็นอะไรมันอยากจะเสียวก็เสียวอ เ, เนี่ยเรื่องปล่อยให้จิตมันทํางานของมันไปเองไม่ควบคุมไม่สั่งมันสอนมันมันก็เลยเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาคําถามฝากถามค่ะหนูจะทําดีกับคนไม่ดีได้ไหมเจ้าคะทําดีกับคนที่ทําลายเกียรติและชื่อเสียของเรานะคะ ได้พระพุทธเจ้าทำบุญกับองค์คุลีมานเห็นไหมสอนให้องค์คุลีมานเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นทำบุญกับใครก็ได้แต่ต้องดูว่าเขารับบุญหรือเปล่าถ้าบอกบุญไม่รับเขาก็ก็ทำไปก็เสียประโยชน์ปเปล่าถ้าช่วยเหลือเขาแล้วเขาปรับปรุงตัวเขาเองได้ทำตัวให้เขาดีได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยเขาแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังเลวเหมือนเดิมอยู่ก็อย่าไปช่วยให้เสียเวลา เหมือนเทน้ําใส่หลังหมาเคยได้ยินไหมเทน้ําใส่หลังหมามันก็สลัดทิ้งหมดแต่ไปก็เสียดายถ้าเทแล้วหมามันดีใจโอ้เย็นสบายขอบคุณอย่างงี้ก็ก็เทใส่มันอาบน้ําให้มันแต่ถ้าสาดน้ําให้มันต้องสบัดทิ้งสบัดทิ้งก็เหมือนกับไปทําความดีกับคนที่มันไม่ยอมรับความดีมันจะเอาแต่ความชั่วอย่างเดียว อย่างนั้นก็อย่าไปทำให้มันเสียเวลาปล่อยให้มันอยู่ไปตามบุญตามกรรมของมันก็แล้วกันแต่เราไม่ต้องไปทำร้ายเขาปล่อยให้บุญกรรมมันทาลายตัวเขาเองคาถามจากคุณซันเซตค่ะเวลานั่งสมาธิจะมีอาการปวดขาขวามากๆเหมือนว่าจะปรี่ออกมาซึ่งครั้งอื่นๆที่นั่งมาไม่เคยเป็นมีความรู้สึกว่าหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้หายใจออก อึดอัดมากเลยนึกอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสองครั้งอาการปวดขาค่อยๆหายไปวันที่สองนั่งแล้วก็หายใจไม่ได้อึดอัดมากเลยเลิกนั่งขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาการอย่างนี้เกิดอาการอย่างนี้ควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับควรฝึกสติให้มากขึ้นไม่มีสติคอยควบคุมใจใจมันไม่ชอบนั่งพอจะนั่งมันก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมา เรต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆหยุดความคิดหยุดความอยากไปทํานูน่ทนทํานี่ความคิดความอยากไปทํานู่นทํานี่ทําให้เรานั่งเฉยๆไม่ได้พออยู่เฉยๆแล้วมันจะอึดอัดขึ้นมาทันทียังต้องคอยหยุดความคิดความอยากด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไปทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิดใจอยากแล้วเวลานั่งสมาธิจะไม่อึดอัดจะเบาจะสบาย คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณวรัญญากราบเรียนถามว่ากายทิพย์เช่นเทวดาหรือพูดผีสามารถทำร้ายเราถ้าเราไปลบดูได้ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันน ะ, ะก็คงจะเข้าฝันเราได้บ้างก็มาเข้าฝันแต่ก็ามาทำร้ายร่างกายอะไรมาได้เขาไม่มีร่างกาย เขาทำร้ายเราได้ก็ทางจิตใจเขาก็จะส่งเข้ามาเข้าฝันมาทำอะไรให้ใจเร า, เาทุกได้คำถามจากคุณเด็กบ้านนอกค่ะอยากทราบว่าการที่เราสวดมนต์ภาวนาส่งจิตไปยังน้องทั้ง13คนที่ติดภายในถ้ำให้ปลอดภยัยการสวดมนต์ของเราจะช่วยคนทั้ง13คนได้ไหมครับก็อยู่พลังจิตของเราว่ามีมากมีน้อย ถ้ามีน้อยบางทีก็ส่งไม่ถึงส่วนใหญ่มีน้อยเพราะสวดน้อยไม่ใช่อะไรลยคนที่ส่งพลังจิตมีพลังจิตนี่ต้องเป็นคนที่เขาสวดอยู่เยอะๆเขาทําใจให้สงบได้เข้าฌานได้แต่ก็ยังช่วยเขาไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมที่ไม่มีใครช่วยอะไรได้ช่วยได้ก็คือถ้าส่งไปถึงจิตเขาได้ก็บอกให้เขาตรงซะ เขาทำใจซะอทำใจให้สงบอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าเจอทางออกก็ออกถ้าไม่เจอทางออกก็เดี๋ยวก็ออกผ่านทิ้งร่างกายไปก็ออกไปเหมือนกันอออกได้สองแบบออกไปกับร่างกายหรือออกไปแบบทิ้งร่างกายไปมันก็ต้องทิ้งร่างกายไปอยู่ดีวันใดวันหนึ่งไม่ทิ้งวันนี้ก็ต้องทิ้งพรุ่งนี้เราทำได้เท่านี้คำถามจากคุณ คนตัดไม้คะ่ะในการประกอบอาชีพเช่นการนับราชการจะปฏิบัติอย่างไรวางใจอย่างไรให้ไม่เป็นการอยากได้ยศครับก็ปฏิเสธไปสิเวลาเขาจะตั้งจะเลื่อนตำแหน่งเอาผมไม่เอาขอบขอบคุณผมขอเป็นขั้นนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะคิดอยากยูอนั่นอ่ะมันต้องคิดอย่างเดียวไม่พอต้องทำด้วย พ่อก็จะเลื่อนตำแหน่งให้ก็บอกผมไม่เอาผมขอตำแหน่งเดิมคำถามจากอ่ามหนึ่งค่ะข้อพันสานี้ดิฉันตั้งใจว่าจะปลงผมบวชชีอย่างไม่มีกำหนดเจ้าค่ะแต่พ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เนื่องจากดิฉันป่วยหลายโรคจึงอยากจะใช้เวลาที่เหลือนี้สำหรับปฏิบัติอย่างเต็มที่จะเป็นกรรมหรือไม่คะที่ออกมาโดยพ่อแม่ไม่เห็นด้วย พ่อแม่เนี่ยรับเกษียณ ร, รับบำนาญแล้วดิฉันกําลังจะบรรจุค่าราชการค่ะอ๋อไม่หรอกเป็นเรื่องของเขาเองที่เขามีความคิดความรู้สึกอย่างนั้นอพอแม่พ่อพระพุทธเจ้าก็ไม่แฮปปี้เวลาพระพุทธเจ้าออกบวชนะงั้เรื่องเรื่องของการกระทําของเรานี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นคือถ้าการกระทําของเราไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนโดยตรง เขาไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับตัวเขาเองด้วยความไม่พอใจนีก็เป็นเรื่องที่เราช่วยไม่ได้ถ้าการกระทำของเราเป็นการกระทาที่ถูกต้องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราแต่คนอื่นไม่พอใจไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาไม่พอใจเองเราไม่ได้ไปทำให้เขาไม่พอใจเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาหรืออะไรให้เสียหายกับเขางั้น เราก็ต้องอย่าไปสนใจเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนที่ไม่เหมือนกันถ้าเขาคิดเหมือนเราเขาก็จะดีใจไปกับเราเขาก็จะอนุโมทนาไปกับเราเขาคิดไม่เหมือนเราเขาก็ไม่พอใจมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนไม่ใช่เป็นการกระทําของเราคำถามจากคุณอุค่ะการที่เรา ยังตัดใจจากลาบยศไม่ได้เป็นเพราะศรัท ธ, ธาไม่พอหรือเพราะอะไรเจ้าคะก็พราะยังอยากอ ย, กอยู่นั่นเอยังอยากยังติดเหมือนคนติดยาเสพติดเหมันก็ยังอยากอยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดความอยากด้วยการเจริญสติถ้าไม่มีสติก็จะหยุดมันไม่ได้ยังต้องมาฝึกสติมาสร้างสติกันพยายามมันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ แล้วความคิดความอยากมันก็จะน้อยลงไปคำถามจากคุณวันดีค่ะเมื่อเกิดทุกข์มากๆจะใช้ทำข้อใดในการทำให้ทุกข์น้อยลงเจ้าคะก็ลดความอยากลงนความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งทุกข์มากอยากน้อยอยากน้อยก็ทุกข์น้อยคนอยากได้ได้ได้เลื่อนขั้นกับคนไม่อยากได้เลื่อนขั้นใครจะทุกข์กว่ากัน คนอยากจะเลื่อนขั้นมันก็คอยจ้องคอยดูอยู่นั่นถ้าไม่ได้ก็เสียใจคนไม่อยากได้เลื่อนขั้นมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะนั้นลดความอยากลงโดยการฝึกสติเออพูดให้มันเฉยเฉมันอาจจะไม่ยอมหยุดก็ต้องใช้สติหยุดมันอย่าให้มันคิดถึงเรื่องของความอยากต่างๆแล้วความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆ เรื่อมองว่าสิ่งที่เราอยากได้มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดได้มาแล้วเดี๋ยวก็จบได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ยังอื่นต่อไอ้สิ่งที่ได้มาก็หมดความหมายไปคำถามจากคุณสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับโยมทำงานบริษัทกับบริษัแทแห่งหนึ่งบริษัทขายยาแก้ไอซึ่งเป็นยาที่กินแล้วติดมัวเมาโยมจะทาจิตยังไงเจ้าคะ เรื <do this S 1> ่องของยาก็เรื่องของยาเรื่องของเราก็เรื่องของเราเราจะทำยังไงมันเราตาเรคิดว่าเราไปทําให้คนอื่นเขาติดยาเราก็อย่าไปทํางานบริษัทนี้ก็แล้วกันไปเปลี่ยนงานอย่างอื่นทํำแต่ตาเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนซื้อเราไม่ได้ไปบังคับเขาเขาอยากจะซื้อเาก็ซื้อไปเอเขาติดก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา แล้วก็ทําใจไปว่าเป็นเรื่องของของของเขาเองที่เขาติดคนที่ไม่ติดก็มีเยอะแยะไปไไคนที่ไม่ซชื่อก็ไม่ติดค่ะคำถามจากคุณจิตตาขณะเดินจงกรมเราพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยงามได้ไหมเจ้าคะหรือควรจะอยู่กับความว่างดีคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเรายังต้องการฝึกสมาธิ ฝึกใจให้สงบแล้วก็ควรทำใจให้ว่างๆอย่าให้มันคิดถ้าเราได้สมาธิแล้วเราสามารถเข้าสมาธิสามารถสั่งให้ใจว่างได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ต้องเราต้องการปัญญาเราก็ต้องพนะิจารณาร่างกายเราก็จะได้ปัญญาเหตนอยู่ที่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนเหมือนเรียนหนังสือเราอยู่ระดับปถมเราก็ต้องเรียนวิชาของระดับปถม ถ้าเราอยู่มัธยมเราก็ต้องเรียนระดับของมัธยมแล่เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนเราอยู่ในระดับสมาธิหรือเรากำลังจะเข้าสู่ระดับปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องพยายามทำใจให้ว่างให้ได้ก่อนหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนพอเราทำใจให้ว่างทาใจให้สงบได้หยุดความคิดได้แล้วเราค่อยมาจเจริญปัญญาเพื่อเราจะได้ความรู้ มันเป็นคนละขั้นตอนกันคําถามจากคุณอคาเดตสัมภเวสีกับจิตที่หลุดพ้นแล้วจะอยู่ในภพภูมิเดียวกันหรือเปล่าครับอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันเนี mm ่ย hmm. คยว่าจิตมันไม่มีที่อยู่ถึงถึงไม่รู้จะพูดว่ามันอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมจิตมันไม่มีรูปไม่มีร่างเหมือนเราเหมือนร่างกายเนียร่างกายเรามันต้องมีที่เพราะไม่มีขนาดใช่ไหมมีมีความสูงมีความ กว้างมีความลึกอย่างเงี้ยมันต้องมีพื้นที่แต่จิตมันไม่มีความกว้างความสูงความลึกมันก็เลยไม่ต้องมีพื้นที่มันก็เลยไม่ต้องมีที่อยู่นั้นไปถามว่าจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพวกเรามันอยู่ที่ไหนมันไม่มีที่อยู่ส่งส่งจดหมายไปก็ไม่มีผู้รับคนเดียวไหมไม่มีที่รับไหมนั่นจิตมันไม่มีที่อยู่เพราะมันไม่มีรูปไม่มีร่าง แต่มันคิดมันคิดมันมีความสุขความทุกข์ในตัวของมันได้เราต้องการทําให้มันสุขทํามันต้องการไม่ให้มันทุกข์เท่านั้นแหละที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันมาเกาะกับร่างกายมันก็เลยไปทุกข์กับร่างกายมาเกาะกับสมบัติเกาะกับคนนั้นเกาะกับคนนี้พอเขาไม่อยู่เขาจากเราไปก็ทุกข์เท่านั้นเองถ้าไม่เกาะก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีไม่อก็อยู่กับความว่างไป คำถามจากเด็กชายเดียทำไมเวลาเราหันมาภาวนาคำว่ากตัญญูรู้รู้คุณถึงเด่นขึ้นมาในใจมากผมรู้สึกแปลกใจครับก็มันโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่ามันโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องถามว่าทำไมเลยคำถามจาก youtube ค่ะจากคุณสายรุ้งรัฐอยากตัดใจจากคนรักเก่าเวลาเห็นเขาไป ม, มีคนใหม่ก็เสียใจ บางทีเขาโทรกลับมาพูดดีกับเราเราก็พูดดีด้วยบางทีก็พูดจ้าร้ายๆใส่เราเราก็นิ่งเพราะยังรักเขาจะตัดใจจากเรื่องนี้ใช้ธรรมะพิจารณาอย่างไรดีจ้าคะก็ความไม่เที่ยงไงเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่จากวันนี้ก็จากพรุ่งนี้ก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราจากกันก็แล้วกันก็จะได้ไม่ต้องยุ่งต่อกัน คำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะการมีครอบครัวกับการไม่มีครอบครัวอย่างไหนดีกว่าการทางในทางธรรมะเจ้าค่ ะ, ะถ้าไม่ลงครัวก็มีอาหารกินทำงารกินได้ไม่มีครอบครัวก็ต้องไปซื้ออาหารข้างนอกกินทางธรรมก็อยู่คนเดียวดีกว่า อ, อยู่หลายคนมันก็วุ่นวายเน อ, อะอยู่คนเดียวก็ยุ่ยงยุ่งกับเราคนเดียว อยู่กับหลายคนก็ต้องยุ่งกับหลายคนเพราะคนคนเรามันชอบคนมันชอบยุ่งมันไม่ชอบอยู่เฉยเฉยมันชอบมีเรื่องมีราวดังนั้นถ้าเราต้องการความสงบก็อยู่คนเดียวดีกว่าแต่ถ้าเราต้องการเพื่อนเราต้องการความสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูงเราก็ต้องอยู่กับหลายหลายคนก็อยู่ที่ว่าเราชอบรสแบบไหนชอบความสงบหรือชอบความสนุกสนาน ชอบความสนุกสนานก็อยู่หลายคนแต่มันก็จะวุ่นมันก็จะมีเรื่องมากมาแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันก็ไม่วุ่นไม่มีเรื่องไม่มีดาวแต่จะมีความสงบหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมอยากถามตอนที่เลิกปรชุมนะจะไม่ตอบอเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดว่าเดี๋ยวจะรอมาถามหนังใหม่ ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็ใส่เขียนใส่กระดาษมาก็ากได้นะคำถามจากคุณพีโกค่ะส่วนไหนของจิตในขันห้าทำให้จิตมีกิเลสคะอ๋อในขันห้าไม่มีกิเลสหรอตัวที่ทำให้จิตมีกิเลสก็อวิชาความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ เ, อเหมือนเด็กอะ่ะเด็กที่ไม่รู้เรื่อง เห็นไฟก็คิดว่าเป็นของเล่นพอไปเล่นกับไฟก็ถูกไฟเผาว่าอันนี้ก็เหมือนกันอวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์นั่นเองก็เลยไปเห็นทุกข์ว่าเป็นเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นสุขก็เลยโลภอยากได้ขึ้นมาก็ความเห็นพอเห็นว่ามันสุขก็เลยอยากได้ ก็เลยเกิดกิเลสขึ้นมาอยากได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็จะดับกิเลสมันก็จะไม่อยากได้เข้าใจไหมหันมันไม่ได้อยู่ในขันพระพุทธเจ้าก็ยังมีขันพระอาหารหันต์ก็ยังมีขันกิเลสถูกทำลายไปกิเลสอยู่ในใจอยู่ในอยู่ในใจอยู่ร่วมกับขันเนี่ยมันเป็นเหมือนอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันใจนี้เป็นเหมือนบ้าน ในบ้านนี้มีขันมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีกิเลสตัณหาความโลภความหลงความอยากต่างๆเรามาปฏิบัติเพื่อไล่พวกกิเลสออกจากบ้านไป เ, เก็บไว้แต่ขันขันนี่ไล่ไม่ได้มันเป็นเหมือนส่วนประกอบของบ้านเป็นเหมือนเสาเป็นเหมือนหน้าต่างเป็นเหมือนเพดานอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนประกอบที่ติดอยู่กับบ้านบ้านคือใจ ส่วนกิเลสมันเป็นผู้มาขออาศัยพวกที่ไม่มีบ้านอยู่พวกไม่มีงานทํามันก็เลยมาขออยู่บ้านเราแล้วก็กินในบ้านเราที่ในบ้านเราเราก็เลยต้องไล่มันออกไปจากบ้านเราเพราะมันอยู่แล้วมันไม่ทําความสะอาดมันจะเอาแต่กินจะนอนจะขี้อย่างเดียวเราก็เลยต้องมาขับไล่มันไปสิ่งที่เรามาขับไล่ก็คือธรรมะคือสติสมาธิปัญญาน พอเรามีสติสมาธิปัญญาเราก็จะขับไล่พวกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆให้ออกไปจากใจได้หมดใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นบ้านสะอาดขึ้นมาน่าอยู่มีแต่ความสุขสำหรับผู้ที่อยู่ น, นี่ก็เปรียบเทียบให้ฟังใจเราเป็นเหมือนบ้านในบ้านก็มีเสามีส่วนประกอบของบ้านก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันอยู่กับใจไปด้วยกับใจบ้านนี้ย้ายไปไหนไอ้เสาก็ต้องไปด้วยเสาป้าเพดานฟาผนังนี่มันต้องไปด้วยกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้มันไปกับใจเวลาที่ร่างกายตายไปมันก็ไปด้วยกันกิเลส ท, ที่มาอาศัยอยู่มันก็เกาะไปด้วยเราต้องมากําจัดกิเลสเพราะกิเลสมันมาทําให้บ้านเราสกรปรกทําให้บ้านเราเหม็นไม่ไม่น่าอยู่ เราก็ต้องไปหาเครื่องมาชำระต้องหาหาไม้กวาดหาอะไรมาชำระความสโปรกให้ออกไปจากบ้านก็ต้องหาสติหาสมาธิหาปัญญาหาศีลมากำจัดมันเอาล้วนะวันนี้เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิเนตพิจารณาไปปฏิบัติ